ปบัด น, นี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธาชนทั้งหลายสืบต่อไปบรรดากิเลสทั้งหลายที่ทรงจำแนกแสดงไว้โดยประเภทต่างๆนั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปโดยสรุปแล้วก็คือความโลภโกรธโร ในความโลภโกรธหลงนั่นเองเมื่อสรุปอีกทีหนึ่งก็คือเรื่องของความหลงในตัวความหลงนั่นแหละก็คือตัวอวิชชาที่เราแปลว่าความไม่รู้เพราะฉะนั้นปัญหาใหญ่ในการปฏิบัติธรรมะทางาศาสนาจงมุ่งกระจัดปัญหาในระดับต่างๆระดับที่ลดละบรรเทาเพื่อไม่เกิดความรุนแรงขึ้นในชีวิตของตน การปฏิบัติในชั้นนี้ก็เป็นเรื่องของระดับศีลที่เราเห็นว่าในการปฏิบัติระดับศีลนั้นที่จริงแล้วกิเลสก็มีอยู่อย่างสมบูรณ์ทือความโลภ ก, ก็มีความโกรธก็มีความหลงก็มีแต่ว่าโดยอาศัยหลักของศีลเป็นเครื่องมือในการควบคุมอาการทางกายทางวาจารของบุคคลเอาไว้ แต่า ก, การตั้งใจที่จะงดเว้นไม่รู้อำนาจแกอารมณ์ที่มาที่บังเกิดขึ้นในแต่ละขณะก็ทมให้บุคคลสามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองเอาไว้อย่างน้อยก็ไม่มีการกระทาและคำพูดซึ่งเป็นไปด้วยอำนาจของความโลภความโกรธความหลงแต่โดยข้อปฏิบัติในชั้นนี้เองที่เราเรียกว่าเป็นระดับของธรรมปฏิบัติ การปฏิบัติในรูปของธรรมะปฏิบัตินั้นในส่วนหนึ่งก็คือการควบคุมความคิดไม่ให้คิดไปด้วยแรงอำนาจของกิเลสเหล่านันอันที่จริงกิเลสก็ยังมีอยู่แต่ควบคุมเอาไว้ไม่ให้เกิดขึ้นกลุ้มรุมใจจะในกรณีของการพูดไปตั้งเมตตาไว้เป็นฐานใจที่เรานยกว่าเป็นเมตตาวาจา แต่เบื้องหลังของเมตานั้นก็อาจจะมีกิเลสประเภทความโลภความโกรธความหลงอยู่เพียงแต่ว่าพลังของเมตตาได้เกิดขึ้นปรุงจิตในขณะนั้นๆกิเลสก็ไม่มีโอกาสเพราะอะไรเพราะว่าตามปกติแล้วจิตเรานั้นจะมีธรรมะปรุงในแต่ละขณะได้เพียงอย่างเดียวแต่พอดีขณะมันเป็นไปเร็ว นั้นเมื่อบุคคลในคอยสังเกตตรวจสอบลักษณะของความคิดซึ่งเกิดขึ้นจากการเข้ามาปรุงจิตของปรจดากุศลและกุศลทั้งหลายเราเห็นว่าบางครั้งเราก็คุมอยู่ไม่ได้นานๆจึงไม้ตาในบุคคลทั้งหลายแต่บางคลมากๆเข้ามองซ้ายมองขวามากขึ้นบุคคลที่มีมีความเกี่ยวข้องผูกพันกับเรานั้นมีฐานที่แตกต่างกัน ด้วยอำนาจของความรักบ้างด้วยความชังบ้างด้วยความไม่สนิทคุ้นเคยบ้างความรู้สึกต่อบุคคลเหล่านั้นในขณะนั้ น, น, นแทนที่จะสร้างเป็นเมตตาจิตได้ทั่วถึงบางทีมันก็ไม่ทั่วถึงบางทีก็ทั่วถึงแต่ทั่วถึงอยู่ไม่ได้นานเป็นต้นนั่นแสดงถึงการต่อสู้กันระหว่างกุศลกับอกุศลภายในใจิตใจของบุคคลที่แต่ละฝ่ายต่างก็พยายามที่จะเข้ายึดครองใจ ลักษณะที่เรามองเขียนเป็นปรูปธรรมง่ายๆใกล้เยงกับการเล่นลิงจับหลักแต่ปัญหาว่าใครจะจับหลักได้ก็ยื้อแย่งกันไปเรื่อยๆลักษณะของกิเลสกับธรรมะหรือหรือธรรมะกับอธรรมก็มีลักษณะอย่างนั้นไม่จะปเปลี่ยนแต่อาศัยที่พลังเขาใกล้เคียงกันหรือกำกึงกันเขาก็ต่อสู้กันอยู่ภายในจิตอยู่เรื่อยๆจะระหว่างความโลภ ก, กับความเสียสละ ระหว่างความเมตตากับความโกรธความพยาบาทระหว่างความรู้กับความไม่รู้ซึ่งในชีวิตของบุคคลเรานั้นเช่นเราเดินไปในที่ใดที่หนึ่งหรือแม้แต่ได้ยินเสียงต่างๆถ้าลองสังเกตเราก็จะพบว่าบรรดารูปนั้นจะมีอยู่สามลักษณะคือรู้ไม่รู้ แล้วก็บางทีก็คลับคล้ายคลับคลาคือไม่เชิงจะรู้หรือไม่เชิงจะไม่รู้พอมาถึงเสียงที่เราไปสัมผัสในที่ต่างๆก็จะมีลักษณะอย่างนั้น <int> พวกกลิ่นพวกรสพวกเย็นร้อนอ่อนแข็งก็จะเป็นเช่นเดียวกันคือสัมผัสในครั้งแรกใน แ, แต่ละวันในแต่ละขณะจะมีอาการปรากฏขึ้นภายในจิตสามอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ในตัวความรู้ความไม่รู้และความคลบคล้ายคลับคลานั่นเอง ก็จะแสดงอาการออกมาอีกลักษณะนหนึ่งซึ่งจริงๆก็ต่อเนื่องกันนั่นคือในตัวรู้นั้นเป็นเรื่องของความรักความชังด้วความเฉยๆตัวไม่รู้นั้นจะเป็นความลักษณะมืดบอดคือความรักความชังจะไม่ปรากฏออกมาเด่นชัดเพราะเรายังมีนด้ใช้แต่สินอะไรไม่ได้คือไม่รู้ว่าจะชอบหรือจะชังดีมันก็มีแต่โมหะคือมืดๆ ลักษณะเหล่านี้คล้ายๆกับเราอยู่ในที่มืดคือไปไปเห็นอะไรตะคุ่มตะคุ่มในที่มืดเนี่ยเกิดใจเกิดรู้สึกกลัวหรือไม่กลัวหรือชอบหรือชังเนี่ยไม่ได้เพราะเรายังไม่รู้อะไรเป็นอะไรแต่เมื่อมองมากข้าวมันก็กลายเป็นอาการอย่างหนึ่งคือความเคลือบแคลงสงสยัยลักษณะของความเคลือบแคลงสงสัยนั้นก็คืออาการที่เราเรียกว่าคลับล้ายครับข บางระดับจึงเป็นอาการคลัค่งคลายคือไม่ถึงกับไม่รู้หมดแต่ว่าปรงใจลงไปไม่ได้ตัดสินใจลงไปไม่ได้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรที่แน่นอนดังนั้นลักษณะเหล่านี้จึงมีอยู่ตลอดในชีวิตของบุคคลแต่ว่าในตัวความรู้หรือสิ่งที่เรารู้นั่นเองปัญหาสำคัญว่าอยู่ที่รู้ชอบหรือรู้ผิดอาการรู้ผิดนั้นก็คือเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นจาก มิจฉาทิจจิคือความผิดในทางที่ผิดเพราะทำให้มีความคิดในทางที่ผิดและกระบวนการของความผิดเราก็ต่อไปครบทั้งทั้งมิจฉาม마กคือทางผิดทั้งแปดประการในตัวรู้นั่นเองจะตากว่ารู้ในทางที่ชอบได้เพิ่มขึ้นอาการของกิเลส ก, ก็จะลดไปในเพราะอาศัยตัวรู้นั่นเอง เพราะลองสังเกตในอารมณ์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเช่นบางครั้งบางคราวเรามองไกลๆเห็นภาพนั้นสวยงามมันเกิดความคลายความปรารถนาความพอใจขึ้นมาจต่มันเดินดูเดินไปดูใกล้ๆพิณิพิจารณารอบครอบแล้วแต่ความพอใจที่เคยเกิดขึ้นน่ะมันจางลงเพราะเห็นจุดบกพร่องจุดเสียหายจุดเสื่อมเสียของสิ่งเหล่านั้นอยู่ บัญญาก็เกิดขึ้นแทรกซ้อนภายในจิตใ จ, จก็มีกา ร, ร, รวิเคราะห์ตัดสินวินิจฉัยการกำหนดค่าของสิ่งเหล่า น, นั้นน้อยลงแต่การมองเห็นโทษเพิ่มขึ้นในสุดความกําหนักความพอใจในสิ่งนั้นก็จะบรรเทาตามลงไปกรณีไปสังเกตว่าตัวนำนั้นที่จริงคือตัวรู้แต่ว่าการที่บรรเทาไปนอกจากตัวไม่รู้ที่บรรเทาไปแล้ว จะมีกิเลสประเภทอื่นเช่นความกำหนัดความโลภความรักใคร่ ย, ยินดีพอใจชอบใจก็พลอยวันเทาตามไปด้วยหรือแม่ลักษณะของความโกรธก็เป็นเช่นเดียวกันคือบางเรื่องหรือบางอารมณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดเคืองความไม่พอใจแกเราแต่นในช่วงใดขนาด ที่เราเกิดความรู้เห็นตามความเป็นจริงกิ่แท้จริงขึ้นมาอาจจะด้วยการพินิษ์พิจารณาแล้วมองเห็นความเป็นจริงก็ปรับใจยอมรับได้ลักษณะความรู้สึกไม่พอใจเหล่านั้นก็จะผ่อนคลายมันทบประปางลงไปตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายๆเราอาจจะเดินอยู่ภายในวัดไปเจอมูลสุนัขอยู่ตามถนนต่างๆซึ่งคงจะเจอกันไปๆ แต่ครั้งจิตของเราจะเกิดโทสะโทสะในตัวสุนัขอาจจะโทสะในเด็กวัดโทสะในพระหรือจะโทสะในอะไรก็ว่ากันไปเรื่ลยๆแต่แต่จิตมันจะแล่นไปแต่พอปัญญาเกิดขึ้นมาพินิจพิจารณาถึงสุนัขแต่ว่ามันถ่ายไปเป็นชีแต่ว่าใจเราก็รู้มันเป็นสัตว์สัตว์นั้นไม่มีปัญญาไม่มีเครื่องพินิจพิจารณา แตไไไ่ไม่มีหิริไม่มีโอตปะอะไรถ้ามีที่ให้ถ่ายเป็นที่เป็นทางแก่คงจะฝึกปรือให้ดีก็คงจะถ่ายได้เมือม่อไ ม, ม, ม่มเมื่อไม่มีที่ให้ถ่ายเป็นที่เป็นทางแก่คงจะถ่ายตามความพอใจของกแกเราอาจจะคิดเลยไปว่ามันก็น่าจะล่ออกไปแต่ถ้าปัญญาเกิดขึ้นแทรกซ้อนขึ้นมาได้ไปนใน จ, จิตใจ เราจะมองสถานะของวัดก็ได้มองสถานะของโลกก็ได้หรือมองสถานะของอะไรก็ได้เราก็จะเห็นว่าบารรดาสัตว์โลกนั้นที่จริงเป็นผู้อาศรรยัยโลกสัตว์ในฉาญทั้งหลายก็เป็นผู้เกิดขึ้นมาแล้วอาศรรยัยโลกแต่เราล่ะเราก็ไม่ได้เป็นเจ้าโลกเราเป็นเพียงผู้อาศรรยัยโลกคนหนึ่งเหมือนเช่นเดียวกันกับเขา เพราะเราก็จริงแน้ต่างคนต่างก็เป็นผู้อาศัยมองภาพแคบแคบเนในที่ใดที่หนึ่งซึ่งเราก็เป็นผู้พักอาศัยเขาก็เป็นผู้พักอาศัยเห็นว่าในสถานที่นั้นตาก็จิตใจเป็นผ่านบุคคลบางคนอาจจะไปไล่คนที่อาศัยอยู่ก่อนใ่้ออกไปแต่จิตใจมีความเป็นบัณฑิตมีเหตุผลอยู่บ้าง ก็จะเกิดความเข้าใจว่าสถานที่นี้ไม่ใช่ของเราเขาเองก็เป็นผู้อาศัยเราเองก็เป็นผู้อาศัยใครจะมาก่อนหรือมาหลังนั้นที่จริงก็ฐานะเหมือนกันคือเป็นผู้อาศัยไม่ใช่เป็นเจ้าของสถานที่เหล่นั้นแล้วถึงจุดหนึ่งต่างคนต่างก็จะแยกย้ายกันไปจึงไม่มีสิทธิ์ที่ใครจะไปไล่ใครพอ ม, มองถึงในวัดซึ่งเป็นจุดแคบๆมัก็จะเจอในลักษณะ น, นั้น เราจะพบว่าบุคคลทั้งหลายภายในวัดตั้งแต่เจ้าวาดไปก็เป็นผู้อาศัยวัดสัตว์ทั้งหลายในวัดเองก็เป็นผู้อาศัยวัดคนต่างคนต่างก็เป็นผู้อาศัยเลยไม่รู้จะให้ใครไปไล่ใครถ้าไปไล่คนใดคนหนึ่งออกไปก็ไม่ความเป็นธรรมแก่บุคคลตัวหนึ่งแน่นอนนั้นในเรื่องของธรรมะแต่แต่เรื่องของระเบียบเรื่องของวินัยก็เป็นอีกชั้นหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องของการบริหาร แต่ระบีบวินัยก็ไม่คุมไปถึงสัตว์ในระชานเท่านั้นที่สามารถขับไล่สามารถจับไปทังคุกเป็นต้นซึ่งหมายความว่าเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปกระทำในลักษณะนั้นเพราะนัพอเราเกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมาแล้วแทนที่จะเกิดความโกรธหรือจะเกิดโทสะก็จะมองด้วยความเห็นเห็นใจเข้าใจคือเข้าใจสัตว์ตามความเป็นจริงว่าสัตว์แกก็เป็นก็แกอย่างนั้นเอง มไม่วิชาศัพท์เฉพาะที่นี้มันที่ไหนมันก็เป็นอย่างกันในอดีตการนานไกลมันก็เป็นอย่างนั้นในส่วนต่างๆของโลกในอดีต ก, นน ก, ก็เป็นอย่างนั้นในปัจจุบันก็เป็นอย่างนั้นและในโอากาสต่อไปเขาคงเป็นเข้าอย่างนั้นเอกเพราะอะไรเพราะเป็นธรรมดาของเขาแต่ความคิดการเฉลยเข้าสู่กระแสธรรมดาทั้งหลายที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในชีวิตของเราหรือเกี่ยวข้องกับเราหรือไม่เกี่ยวข้องกับเราก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็อเอาเฉพาะเรากระที่เกี่ยวข้องกับเราเพราะอะไรเพราะว่าคำว่าเราและเกี่ยวข้องกับเราหรือเกี่ยวเนื่องกับเราเป็นตัวที่สามารถสร้างปัญหาได้ต่างๆแล้วก็สามารถให้เกิดประโยชน์ได้ในลักษณะต่างๆนั่นก็พยายามมองศึกษาถึงกติธรรมดาหรือความจริงที่จะต้องมีจะต้องเป็นอย่างนั้นเองเจ่าหนี้ท่านต่างๆได้สวดสาธยายพิณิพิจารณ์ เป็นบทในบทอะพินหะปัจเจเวคขณะคือส่วนกันมาเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยเราจะเห็นว่าตรงนี้แหละมันที่จริงมันก็เป็นเรื่องของปัญญาปัจเจเวคขณะก็คือการพิจารณาเฉพาะเรื่องเฉพาะเจาะจงลงไปพิจารณาบ่อยๆพิจารณาหนึ่งๆพิจารณาอยู่สม่ำเสมอมีลักษณะคล้ายๆกันค่อยๆค่อยๆขัดค่อยๆขูด ส้นิมที่มีอยู่ในสถานที่นั้นในสิ่งสกปรกที่มีอยู่ในสถานที่นั้นนั้นมันเกาะมันจับจนม่อาจที่จะขัดให้สะอาเดเรียบร้อยในเวลารวดเร็เวได้เราก็ค่อยทำํำค่อยไปเลยแต่จากปัญญาเป็นเครื่องพิษนิพิจนามองเห็นเราพร้อมที่จะเผชิญกับคติธรรมดาเหล่านั้นอย่างความรู้เท่าทันด้วยความจรงิง เราแก่ลงไปซึ่งก็เป็นธรรมดาก็เนื่อแก่ไปก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่เดือดร้อนทั้งเพราะความแก่ของเราและเพราะความแก่ของบุคคลอื่นแต่ในขณะเดียวกันเนื่องจากทรงสอนให้มองทั้งระบบคือไม่ได้มองเฉพาะตัวความแก่แต่มองที่ความเจ็บมองที่ความพัดผ้ากมองที่ความตายมองตลอดถึงกระแสของกิเราก็มองมาจากตัวแก่เราจะเห็นว่าเราเข้าสู่ธรรมดาก็คือความแก่ และเป็นธรรมดาที่ไม่มีใครที่จะหยุดเขาได้คือเวลาผ่านไปเนึ่งนาทีเราก็แก่ไปเน่งนาทีแล้วซึ่งก็แสดงว่าเราก็ใกล้ความตายจะทำให้บุคคลที่มีปัญญาเกิดขึ้นภายในจิตใ จ, จรีบเร่งขวนขวายมองเห็นความตายปรากฏอยู่เฉพาะหน้าสิ่งตั้งหลายนั้นเราคงจะต้องทอดทริง จะสมัครใจหรือไม่สมัครใจหรือยอมหรือไม่ยอมยอ ม, ยอมรับหรือไม่ยอมรับก็ตามเราก็ต้องทอดทิ้งไปโดยนั้นทำให้บุคคลเกิดไม่ประมาทที่จะรีบเร่งทาสิ่งที่เราทำได้แล้วก็ทำแล้วจะติดตามตัวเราไปได้กรณี้เราสังเกตว่าคาสอนระดับบุญกุศลเรียกว่าระดับศีลธรรมจัญ ย, ยาท่น เป็นการสอนที่มุ่งให้บุคคลได้รับประโยชน์สุขในขณะที่ดำรงชีวิตในฐานะของผู้อาศัยโลกอยู่ด้วยแต่ในขณะเดียวกันชีวิตของเราไม่ได้มีอยู่ในช่วงสั้นๆเฉพาะโลกนี้เท่านั้นเพราะจะมีการประพฤติปฏิบัติในระดับที่จะเป็นอุปนิสัยปัจจัยหรือเป็นเครื่องอิงอาศัยถึงบางครั้งจใช้ขับง่ายๆที่เป็นรูปธรรมวาสบียงเลี้ยงตน โดยทรงเสริมให้บุคคลสร้างสมบูรณ์กุศลบางครังเราอาจะเอาความแก่นั่นเองมาตอกยำ้ำในรับสั่งแก่พรามณ์ชาราท่านหนึ่งซึ่งประสบความสุขในการครองเรือนอยู่ในโลกนี้ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องทรัพย์สินไม่ได้มีปัญหาในเรื่องหนี้สินไม่ได้มีปัญหาในเรื่องที่จับจ่ายใช้สอยไม่ได้มีปัญหาในการได้พาถึงทรัพย์สินตรงนั้น แต่ปัญหาสำคัญว่าทรัพย์ ส, สินเหล่านั้นจะเกื้อกูลเป็นประโยชน์แก่ท่านในขณะที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นพระเจ้าจึงรับสั่งเตือนเป็นใจความว่าดูก่อนพรามบัตติไวต้องนัดแก่งหอมแล้วพระชรามันดุดใบไม้เหลืองซึ่งกำลังจะหลุดตรงจากขั้วแต่บุญกุศลที่จะเป็นสเสบียงเลี้ยงตนเป็นที่พึ่งของท่านในสัมปราจพบด้า น, นยังไม่มี เพราะกานที่เพ่งขวนขวายสร้างสมสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลพืจอเกิดรับผลสองช่วงต่ช่วงความสุขในปัจจุบันนั้นเราก็รับได้แล้วต่ช่วงต่อไปเป็นการเดินทางไกลตลอดสังสารวัตรอัยาวนานก็จะต้องมีสเสบียงสมับลิงตนไปเดินสำราจจะพบภายภากหน้าซึ่งก็ น, นี้จะเห็นว่าการสอนนั้นเป็นการสอนในใช้ปัญญา ถึงมุ่งไปขจัดที่ตัวโมหะกันที่ก่าวแล้วแต่พอในภาคประพฤติปฏิบัติเมื่อปัน่น เ, เมื่อโมหะเกระจางออกไปจากใจก็หมายความปัญญาเกิดขึ้นปรุงจิต ร, รือเกิดขึ้นรักษาจิตคุ้มครองจิตเอาไ้ทำให้ปัญญานั้นเองเป็นตัวสดสอง ม, มองลักษณะเทียบเคียงถึงทรัพย์สมบัติที่ตนบริโภคใช้สอยกันอยู่ในปัจจุบัน เป็นของสาธารณแก่คนทั้งหลายโจรลักขโมยไปได้และพร้อมที่จะพิบัติเสียหายไปประการกระทำของเราเองบ้างการกระทาของบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องบ้างการกระทาของบุคคลอื่นที่เป็นศัตรูบ้างหรือไม่มีอะไรเราก็ต้องจากไปด้วยความตายดังนั้น จึงจะมีการกระทําในลักษณะที่เรียกว่าเป็นการกรวบรวมบุญกุศลเพื่อได้ประโยชน์ทั้งสองช่วงของการดํารงชีวิตคือได้ประโยชน์จากการใช้จ่ายจากการมีทรัพย์การใช้จ่ายทรัพย์กาศไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินแต่การทํางานที่ปราศจากโทษในชุดในชีวิตปัจจุบันแต่ในขณะเดียวกันก็อาัยทรัพย์นั้นเองเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างความดีในรูปลักษต่างๆ แน่นอนเราจะเอาทรัพย์ไปจริงๆก็ทำไม่ได้แล้วก็สอนในรูปของการแปลสภาพของศรัพย์ให้เป็นบุตรเป็นกุศลด้วยฐานวันทานเวลาเกิดขึ้นจริงๆไม่ได้ทำหน้าที่ขจัดเฉพาะโมหะเพียงอย่างเดียวพึ่งใจว่าธรรมะปฏิบัติทั้งหมดนั้นไม่ว่าจะเป็นข้อไหนก็ตามจะต้องทำหน้าที่ขจัดโมหะอยู่ด้วยในตัวถ้าไปงั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้แต่หลังจากได้ขจัดโมหะคือความหลงออกไปแล้วนี่ จะต้องทำหน้าที่ขจัด ต, ตัวอื่นด้วยโดยเฉพาะฐานเองก็เกิดไปทำหน้าที่ขจัดมัจฉ ร, ริยะคือความสนีทความเสียดายความโลภอะไรในลักษณะต่างตที่ที่มากที่สุดก็คือตัวความเห็นแก่ตัวเพราะการให้ฐานนั้นจะต้องเห็นแก่คนอื่นด้วยถ้าไม่เห็นแก่คนอื่นด้วยก็จะไม่มีการให้ แม้บางครั้งจะมีการประรบตุลเป็นฐานก็ตามแต่จะต้องเกิดความเห็นแก่บุคคลอื่นจึงสามารถให้ทานไปได้แต่ในตัวทานที่เป็นทานวัตถุคือให้วัตถุสิ่งของนั่นเองคือสังเกตว่าบางอย่างไม่ได้ขจัดเฉพาะโลภะ ไ, ได้จะขจัดเฉพาะความสนิทแต่บางขาจัดโภสะด้วย ตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าโดยพื้นฐาน จ, จิตใจของเราบางอย่างแม้จะเห็นอานิสงส์ของทานเห็นคุณค่าของการให้ทานอยู่แล้วแต่ให้ได้เฉพาะบุคคลบางคนในกรณีบางกรณีเท่านั้นเองแต่บางคนบางคนที่เราไม่ชอบไม่พอใจเราก็ไม่ให้อะไรซึ่งกหมายความการไม่ให้แก่บุคคลเหล่านั้นแล้วเกิดให้ได้ เจตนาเป็นเหตุให้นั้นทําหน้าที่ขจัดตัวมัจฉริยะคือความสนีที่มีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลให้เจตจางเบาบางลงไปดังนั้นธรรมะปฏิบัติทั้งหมดจึงมาเน้นที่ตัวการขจัดโมฆะทําห้ท่านสาธุชนทั้งหลายท่านได้ศึกษาสมเนธธรรมะมาเป็นเมตานานได้หลักสังเกตประการหนึ่งว่าธรรมะปฏิบัติในแต่ละข้อนั้นจะมีปัญญาหรือสติเข้ากํากับอยู่ ตสติกับปัญญาอันจะไม่ปรากฏ ร, ร่วมกันก็ได้ในรูปขององค์ธรรมแต่ในรูปของการปฏิบัติแล้วสติกับปัญญาก็จึงเกิดสนับสนุนกันเวลาแสดงธรรมะในรูปกา ร, รลดละท่านจึงมาเน้นที่ตัวโมหะทั้งทั้งที่อาการโมหะมีอยู่สองอาการแต่นั้นเองที่ปรากฏแก่จิตในรูปของอุปสรรคต่อความสงบจิตที่เรียกว่าอุปสรรคต่อสมาธิก็คือ ความพุ่งสั้นกับความเครือบแคลงสงสัยซึ่งเป็นอาการของโมหะที่มีอยู่ภายในใจของบุคคลแล้วก็ออกมาในรูปของการครุ่มรุ่มใจแต่เอาก็จริงแล้วอาการเหล่านี้เองถือว่าเป็นเรื่องที่ยากต่อการจะคัดจัดให้บรรเทาประปางลงไปวิจิกิจาระคือความเครือบแคลงสงสัยนั้นจะขจัดได้เด็ดขาดก็ต้องอาศัยโสดาปฏิมา แต่พอถึงอุทจจะคนตัดได้จริงๆโดยเฉพาะพระอรหันต์เนั้นเองเพระยบุคคลในระดับต่างๆก็ยังมีอุทจจะในระดับใดระดับหนึ่งจูนนั้นท่านจึงเน้นไว้ในเรื่องหลอดดีมากในแนวของมิจฉิสาที่ได้กล่าวมาโดยลาดับนั้นพึ่สังเกตว่าแต่อย่างนั้นเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อความเจริญเข้าวหน้าในด้านการประพฤติปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นระดับศีลระดับสมาธิหรือระดับปัญญา ก, ก็ตามถ้าการเครือบแรลงสงสัยเหล่านี้ยังมีอยู่แม้ในจุดใจดใจุดหนึ่งเป็นความเครือบแคลงสงสัยในคุณของพระพุทธเจ้าพระเจ้าทรงรับสั่งว่าถ้ามันเกิดจุดนี้ขึ้นมานันจะมีลักษณะเหมือนกับใครเอาตะปูไปตอกอะไรไว้หรือคล้ายๆกับอะไรกำลับบงเดินอยู่แล้วเราไปมัดเอาไว้ แต่จำนวนบาลีต้องใช้กันว่าเจโตขีระคือตะปูที่ตรึงจิตเอาไว้เป็นตั้งนองที่ให้เราดูในเชิงที่เป็นรูปธรรมว่าอะไรก็ตามที่ถูกตอกตะปูตรึงเอาไว้มันเดินไม่ได้มันไปไหนไม่ได้แล้วรานจิตก็เหมือนกันพอเกิดความเครือบแคลงสงสัยขึ้นในจุดใดจุดหนึ่งก็ได้มันจะเกิดอาการช ง, งักที่ก้าวไปไม่ได้ จะเดิ น, นบนถนนน้ำทางเกิดความคลุ้งเครื่อแปรงสงสัยว่าจะไปทางไหนก็ชะงักไปไม่ได้แล้วแม้แต่จะรับประทานอาหารหรือส่งอาหารเข้าปากแล้วจะเข้าปากแล้วมันเกิดเครื่อนแปรงสงสัยว่ากินได้หรือกินไม่ได้ก็ชะงักละไม่จะถือค้างจะได้ละอันตรายนา่นทีนั่นก็คืออาการของโมหะ ท, ที่เราที่เราเห็นได้ชัดว่าปรากฏออกมาในรูปของความเครื่อนแปรงสงสยัยแต่พอการเครื่อนแปรงสงสยัยขคิดมาเนี่ย บางอย่า ง, างบางคราวก็เพิ่มโมหะคือเพิ่มเป็นความฟุง้งซ่านให้ลองสังเกตว่าบางเรื่องบางอารมณ์ที่เราได้เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมได้จมูกทิ้มด้ลิ้นถูกต้องได้กายก็าตามที่บางเกิดเคลื่อนแปรงสงสัยขึ้นมาตอนนั้นมันช ง, งักพอความเครื่อนแปรงสงสัยมากยิ่งขึ้นก็คิดมากแล้วสื่ก็กลายเป็นความฟุง้งซ่านคิดมากในเรื่องเหล่านั้นเหล่านี้เราโน้มบางทีก็ปรุงคิดคดปรุงเราเอง กระแสจินตนาการเราเองบางทีเป็นจินตนาการที่ครบวงจรคือเราสร้างเราเองทั้งหมดจะบางครั้งบางคราวี่มีพื้นฐานความหวาดความกลัวอยู่ภายในใจยินเสียงลมและยินเสียงนกและยินเสียงสัตว์หรือว่าบางทีก็คิดตัวเองแล้วก็สมวติฐานก็ตั้งขึ้นภายในใจว่าเป็นผีเป็นอะไรก็ว่าไปเรื่อย แล้ ว, เ, วลเสียงนั้นเรามาอีกก็ไปปรุงเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาจนผีหลอกแล้วในที่สุดก็กลัวเองตกใจเองกลัวเองออนคุมโป่งเองก็จับค่าเองโหโกลนเองก็เสร็จคือครบทั้งกระบวนการของความคิดเพื่อกิเลสก็กระจายไปดปรเลยปัญหาว่าความรู้แจ้งเห็นจริงตามความจริงที่ปรากฏยังไม่ได้เกิดขึ้นภายในใจ จะเกิดขึ้นภายในจิตใจแล้วก็จะกระจัดอาการเหล่านั้นออกไปจากใจได้เพราะในเจโตขีละคือสูตรที่ว่าด้วยตะปูตรึงใจพระเจ้าจังเน้นที่ตัวความเครืบแคลงสงสัยว่าเป็นปัญหาในการรักษาปฏิบัติอยู่มากเริ่มต้นจากความเครือบแคลงสงสัยในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในตา่างจิตขาซึ่งก็เป็นลักษณะเดียวกันกับที่กล่าวไว้ในวิจิกิจฐามาโดยตรง หรือว่าจิตใจที่ประกอบด้วยความโกรธความขับขันความไม่พอใจความหงดหงิดได้ยินอะไรนิดอะไรหน่อยก็เกิดไม่ชอบไม่พอใจแล้วจิตเป็นจะหยุดเป็นจะไม่ก้าวเดินไปบนเส้นทางแห่งการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสที่ควรเื่าความเครื่อแครงในสงสัยในตรติขาในทานในศีลในภาวนาในศีลสมาธิปัญญาจะเราสงสัยว่าการให้ทานนั้นมีผลจริงหรือ มันก็เกิดความเครือแคลงสงสัยได้อย่างที่เราพูดกันว่าทำบุญศูนย์เปล่าไหว้เจ้าได้กินเป็นลักษณะของความคิดที่ประกอบด้วยโมฆะคือมีความเครือบแคลงสงสัยจุเพราะการตัดสินนั้นตัดสินจากขณะปัจจุบันและตัดสินจา ก, กรูปธรรมเพราะทบุญศูนย์เปล่าไหว้าทานไปแล้วเราก็ไม่ได้อะไรบอก็ได้บุญก็กลับมา พอไหว้เจ้าเสร็จแล้วเราก็กลับไปกินไปเลี้ยงดูกันเออมันก็เข้าวีนั่นแสดงว่าตัดสินในรู ป, ปรวัตถุที่มีการกําหนดกันอยู่ในขณะนั้นเพราะมองไปจากตัวได้กินหรือไม่ได้กินแต่แท้จริงแล้วบุญนั้นไม่ได้อยู่ที่ตัวกินหรือไม่กินไอ้กินไม่กินนั้นก็เป็นผลของบุญก็ได้ผลบาปก็ได้ ให้เราสังเกตว่าสิ่งที่เราได้มารับประทานนั้นเราได้โดยการทําบุญก็ได้ไดโดยการทําบาปก็ได้แต่สิ่งที่เรากินนั้นเป็นเหตุได้เกิดบุญได้เหตุได้เกิดบาปก็ได้เป็นเหเรื่องปกติธรรมดาของชีวิตก็ได้ก็แล้วแต่และสิ่งบางอย่างที่เรากินเราลิ้มเราชิมก็ไปแล้วมันก็เป็นการกระทำที่เป็นบาปก็ได้ที่เป็นบุญก็ได้หรือเป็นไปโดยธรรมชาติก็ได้ แต่พราะปัญญาที่จะเป็นเครื่องสดส่องจนสามารถมองเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรอย่างชัดเจนมีไม่มากพอก็เกิดความคลุกคล่งสงสัยมันก็จะสินจากรูปของวัตถุตรงนั้นในสุก็เลิกทาบุญในลักษณะต่างๆมองเห็นการรักษาศีลมองเห็นการบําเพ็ญภาวนาเป็นการริดรอนตัดรอนตัวเองเป็นวศัก์ขัดขวางความเจริญก้นาวหน้านของตัวเองในสุพึงก็เกิดหยุดชะงัก วันปัญหาสําคัญในการปฏิบัติธรรมทางศาสนาจึงมุ่งเน้นไปจริงๆก็คือมุ่งเน้นไปที่ตัวขจัดกิเลสซึ่งเป็นรากง่าของเขานั้นก็คือตัวโมฆะหรือตัวพิชชาคือพัฒนาจิตใจของบุคคลให้เข้าถึงลักษณะของพุท ธ, ธะที่แปลว่าเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานต่อจตกนีไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป